มีสติสัมปชัญญะส่วนหัวข้อที่สองถึงที่ยี่สิบหกว่าด้วยพระพุทธเจ้ายี่สิบห้าพระองค์เริ่มตั้งแต่พระธีปังกรจนถึงพระโคโดมเป็นที่สุดหัวข้อที่ยี่สิบเจ็ดว่าด้วยปกินนกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหัวข้อที่ยี่สิบดว่าด้วยการแจกพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะกล่าวตามลำดับหัวข้อต่อไปโดยสังเขป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 ต่อจากนั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระมังคละพุทธเจ้าสุมณะพุทธวงศ์พุทธวงศ์ที่สวงแห่งพระสุมณะพุทธเจ้าสมัยนั้นพระโคโดมพุทธเจ้าเป็นอัตุละนาขราชได้ถวายข้าวน้ำและผ้าคู่แด่พระสุมณะพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และได้รับพยากรต่อจากนั้น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 และได้ถวายทานอันยอดเยี่ยมได้รับพยากรณต่อจากนั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเรวตตพุทธเจ้าโสพิตะพุทธวงศ์พุทธวงศ์ที่หกวงแห่งพระโสพิตะพุทธเจ้าสมัยนั้นพระโคดมพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์นามวาสุชาติได้ถวายข้าวน้ําแด่พระโสพิตะพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวก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 วงแห ja ่งพระสุชาตะพุทธเจ้าปิยทัตสีพุทธวงศ์ที่สิบสาวงแห่งพระปิยทัตสีพุทธเจ้าอัฏฐทัตสีพุทธวงศ์ที่สิวงแห่งพระอัฏฐทัตสีพุทธเจ้าธรรมทัตสีพุทธวงศ์ที่สิหวงแห่งพระธรรมทัตสีพุทธเจ้าสิทธะพุทธวงศ์ที่สิบหก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 วิปัสสิพุทธวงศ์ที่19วงแห่งพระปัสสีพุทธเจ้าสิกขิพุทธวงศ์ที่ยี่สิบวงแห่งพระสิกขีพุทธเจ้าเวสภูพุทธวงศ์ที่ยี่สบเอ็ดวงแห่งพระเวสภูพุทธเจ้ากุกุสันทพุทธวงศ์ที่22สองวงแห่งพระกุกุสันทพุทธเจ้า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 โทนพรามได้นำธนานสำหรับตักแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุสถูปเรียกว่าตุม พ, พระเจดีแปลว่าพระเจดีธนานโมริยกักษัตริย์ได้ขอรับพระอังคารคือเท่าทานไปบรรจุเป็นอังคารสถูปนอกจากนั้นยังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเขี้ยวแก้วพระทนพระเกศพระโลมา และพุทธบริคารต่างๆ